สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่2ครับและเมื่อวานนี้ผมก็ได้ค้างพี่น้องไว้ก็คือเรื่องราวของโยบก็ได้จบไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของชิเมอี ก, ก็จะได้ถูกกล่าวในวันนี้และในเวลาเดียวกันครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเชิงงอนของแท่นบูชา ซึ่งเป็นที่ลี้ภัยแห่งหนึ่งที่อยู่กลางเมืองหลวงครับก็คืออยู่ในพระพราของพระเจ้าท่าวความเมื่อวานนี้นะครับว่าโยอาบเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นเรียกว่าผ อ, อสูงสุดของกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นผู้นําการทหารที่ยิ่งใหญ่และมีพี่น้องอยู่3ามคนก็คือโยอาบอาบิชัยและก็อาซาหลิลโยอาบนั้นเป็นนักการทหารเป็นนักวังแผนเป็นนักรบ เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักสู้ที่ไม่เกรงกลัวใครเป็นผู้บัญชาการที่มีความสามารถเป็นผู้นําที่มั่นใจและไม่ลังเลแม้แต่ว่าจะตําหนิกษัตริย์ดาวิดเลยครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้คุณประโยชน์กับราชวงศ์ของดาวิดหรือว่ารัชสมัยของดาวิดในสมัยที่ดาวิดปกครองอยู่40ปีโยอาบนั้นเป็นคนที่ช่วยให้ดาวิดกับซาบลมคืนดีกันครับ และวางแผนพิชิตยเยรูซาเล็มชิงเมืองมาจากพวกเยบุชซึ่งเป็นคนพื้นเมืองหรือคนท้องถิ่นในสมัยก่อนหน้านั้นแต่ว่าบทเรียนจากชีวิตของโยอาบเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนพี่น้องไปแล้วนะครับว่าเขามักจะไร้ความปราณีโหดเหี้ยมและแก้แค้นถือเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องส่วนรวมฆ่าอับเนอร์ซึ่งอับเนอร์นั้นก็เดิมทีอับเนอร์เป็นแม่ทัพ ใหญ่เหมือนกันครับเป็นผอท บ, ออบอของอกษัตริย์ซาอุนผ อ, อสูงสุดของกษัตริย์ซาอุนก็ว่าได้ครับอับเนอร์นั้นก็ถูกโยอาบฆ่าตายและในที่สุดครับเราจะเห็นว่าบทเรียนจากชีวิตของโยอาบนั้นก็คือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงนั้นมักจะตายด้วยความรุนแรงพี่น้องครับการที่ใช้ความรุนแรงประหัดประหารกัน ก็ทำให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงครับคนที่ฉลาดปาดเปลืองนะครับอย่างกษัตริย์ดาวิดนั้นยังต้องมีแม่ทัพที่เป็นอยู่คู่กายคอยช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำสิ่งที่สำคัญจากชีวิตของโยบนะครับก็คือว่าเขานั้นในที่สุดถูกฆ่าเหมือนกันครับและเป็นที่มาของการจับเชิงงอนของแท่นบูชาซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่า เป็นสถานที่ที่รีไภัยกลางเมืองหลวงครับใครก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะให้กษัตริย์ยกโทษให้อภัยหรือรับการอภัยโทษนะครับเขาจะต้องวิ่งเข้าไปในพระวิหารแล้วก็จับเชิงงอนของแท่นบูชาแท่นบูชานั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะไปพูดถึงเชิงงอนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รีไพรขออนุญาตพูดถึงชิเมอี ก, ก่อนครับ ชิเมอีนั้นเป็นคนที่ไม่มีความจงรักภักดีและก็พยายามที่จะ discredit ขสัตย์ดาวิดตอนสมัยที่กษัตริย์ดาวินละ6กละเหยเล่ลอนเนื่องจากการตามไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูลพี่น้องครับกษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่และก็มีชิเมอีนเนี่ยครับเป็นคนที่มีความจงรักภักดีกับกษัตริย์ซาอูลมากและเมื่อกษัตริย์ดาวิด ตอนนั้นยังไม่เป็นกษัตริย์ครับและเฮเลร่อนเพราะว่าเนื่องจากถูกกษัตริย์ซาอูลนั้นไล่ล่าอยู่นั้นชิเมอีนั้นก็ได้ด่าว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับหรือด่าว่าดาวิดอย่างเสียเสียหายหายในพระเจาพระเจ้าหนึ่งพงกษัตริย์บทที่2ข้อที่8นะครับดาวิดก็กำชับโซโลมอนก่อนที่จะตายบอกว่าอย่าลืมชิเมอีบุตรเกราชิเมอีนั้นเป็นคนเผ่าเบนจามินครับ เป็นคนเผาเดียวกับกษัตริย์ซาอูลคนคนนี้ครับแช่งดา่ากษัตริย์ดาวิดอย่างเจ็บแสบตอนที่กษัตริย์ดาวิดนั้นไปมะฮ์นาอิมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเขาก็ลงมาต้อนรับดาวิดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าชีเมอีนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนที่เรียกว่าลู่ตามลมทำให้เขาได้รู้ว่าเมื่อซาอูลสิ้นแล้ว เขาต้องหันมาพึ่งดาวิดครับเขาก็ลงมาต้อนรับดาวิดดาวิดก็ได้สาบานกับเขาโดยอ้างองค์พระวินเจว่าเราจะไม่ฆ่าเจ้าด้วยดาบนั่นหมายความว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นรู้ครับรู้อยู่แก่ใจว่าชิมีอีนั้นเป็นคนยังไงแต่ว่าด้วยความเรียกว่าให้เกียรติพระเจ้าดาวิดก็สัญญาโดยพระนามขององค์พูะวินเจบอกว่าเราจะไม่ฆ่าเจ้าด้วยดาบดังนั้นเอง กษัตริย์ดาวิดนั้นก็รู้ครับว่าชีเมีอีนั้นก็คงจะไม่จงรักภักดีต่อโซโลมอนอย่างจริงใจนักคนพวกนี้ครับเป็นคนไร้การดาวิดแนะนําโซโลมอนให้จัดการกับศัตรูของดาวิดอย่างเด็ดขาดครับคําแนะนํานี้ก็จะช่วยให้โซโลมอนซึ่งเป็นกษัตริย์หนุ่มที่กําลังจะถูกสถาปนานะครับรักษาบัลลังก์ของเขาไว้ได้อย่างมั่นคง และเป็นคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงตัวของศัตรูที่ร้ายกาจเท่านั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าศัตรูที่ร้ายกาจก็ยังรับใช้อยู่กับดาวิดได้เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่ว่าคือเป็นศัตรูที่ร้ายกาจจริงๆคนพวกนี้ครับเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าเพราะว่าเขาต่อต้านกษัตริย์หรือผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้หรือผู้นํา ชิเมอีนั้นแช่งด่ากษัตริย์ถือว่ามีความผิดกฎหมายครับผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นเองชิเมีอีนั้นจึงเป็น1ในเวตติ้งลิสต์ที่โซโลมอนจะต้องจัดการและในที่สุดอะไรเกิดขึ้นครับเรื่องก็มีอยู่ว่าโซโลมอนนั้นก็ให้คนไปตามชิเมอีมาอันนี้คือตามมาเพื่อที่จะเช็คบินนะครับแต่สังเกตดูการเช็คบินของ โซรมอนเช็คบินด้วยความฉเฉลียวฉลาดมากเขาพูดกับชิเมียเองครับว่าจงสร้างบ้านและอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนี้อย่าไปที่อื่นใดเลยวันใดที่เจ้าออกไปพ้นหุบเขาคิดโรนเจ้าก็แน่ใจได้ว่าเจ้าจะต้องตายและถือเป็นความผิดของเจ้าเองชิเมีทูลว่าฝ่าพระบาทตรัสชอบแล้วผู้รับใช้จะปฏิบัติตามชิเมี จึงอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นเวลานานพี่น้องจะเห็นได้ว่าลักษณะแบบนี้ครับคือการจํากัดบริเวณหรือกักบริเวณแต่ไม่ใช่เป็นคุกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถไปไหนมาไหนได้ในกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มก็กว้างขวางใหญ่โตพอสมควรที่เขาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหลืออยู่โดยไม่ต้องไปไหนเลยแต่พี่น้องครับเนื่องจากว่าชิเมอีนั้นเป็นคนที่กว้างขวาง เป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรมีผลประโยชน์อยู่หลายที่หลายแห่งดังนั้นเองมีวันหนึ่งครับประมาณ3ปีให้หลังที่ชิเมีตอบรับสิ่งที่โซโลมอนมอบให้กับเขาก็คือให้เขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงโดยไม่ต้องออกไปไหนมาไหนแต่3ปีต่อมาครับทาสของชิเมียสองคนก็หลบหนีไปหลบหนีไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อาคิช นะครับเขาก็ต้องออกไปตามทาตแทนที่เขาจะให้ลูกน้องออกไปตามตัวเขาก็ออกไปตามเขาก็รู้ครับว่าโซโลมอนกษัตริย์นั้นได้สั่งเขาห้ามออกนอกเขตกรุงเยรูซาเล็มเขตของกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็คือห้วยหรือหุบเขาครับเพราะเยรูซาเล็มนั้นตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่บนเนินเขาเพราะฉะนั้นการออกจากเยรูซาเล็มนั้นหมายถึง การเดินข้ามหุบเขาไปอีกภูเขาอีกลูกหนึ่งหุบเขานั้นกเกลียวหุบเขาคิดโรนพี่น้องครับหากว่าพี่น้องได้เคยไปที่เยรูซาเล็มนั้นจะรู้ว่าหิดหุบเขาคิดโรนนั้นเป็นเหมือนกับไม่ใช่เป็นหุบเขาลึกๆนะครับแต่เป็นเรียกว่าเป็นช่องทางระหว่างเขาสองลูกเท่านั้นเองข้าซาสโซโลมอนเมื่อทราบว่าชิเมอีออกจากเยรูซาเล็มก็เข้าทางเลยครับก็เลยให้ตามชิเมอีมา และตรัสว่าเราเตือนเจ้าและให้เจ้าสาบานในพระนามของพระยาเวแล้วไม่ใช่หรือว่าวันใดก็ตามที่เจ้าออกไปที่อื่นเจ้าจะต้องตายและเจ้าก็ตอบรับแล้วเหตุชไหนจึงไม่ทำตามที่ปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ทาตามคำสั่งของเรางานเข้าเลยครับกษัตริย์โซโลมอน ก็ตรัสกับชิเมีว่าเจ้ารู้อยู่แก่ใจถึงความเลวร้ายทั้งสิ้นที่เจ้าทําไว้กับดาวิดราชบิดาของเราบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคืนสนองความผิดที่เจ้าได้ทําแต่กษัตริย์โซโลมอนจะได้รับพระพรและราชบัลลังก์ของดาวิดจะยั่งยืนมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเมื่อตัดดังนั้นแล้วก็สั่งเบเนยาเบเนยานี้เป็น อบบสูงสุดหรือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของกษัตริย์โซโลมอนเบนายาก็ออกไปประหารชิเมอีในที่สุดชิเมอีก็ตายพี่น้องเราเห็นนะครับแม่ทัพของโซโลมอนคือเบนายานั้นได้ประหารศัตรูของกษัตริย์ดาวิดที่ดาวิดฝากฝังไว้กับโซโลมอนถึงสามคนแล้วนะครับก็คือประหารอาโดนิยาซึ่งเป็นพี่ชายของโซโลมอน คนที่2ก็คือป่าหานโยอับซึ่งเป็นแม่ทัพของดาวิดและคนที่สมก็คือชิเมอีครับชิเมีก็เป็นคนที่เคยปรมาศและแช่งดา่าดาวิดเบเนยาจัดการเรียบร้อยรวบนะครับกินรวบเลยครับ3มคนถ้าถามว่าการทําแบบนี้ดียังไงครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ว่าโซโลมอนนั้นสั่งฆ่าอาโดนิยา ฆ่าโยอับและฆ่าชิเมอีและถอดอาบียธาอดีตปูโรหิตนะครับออกจากตำแหน่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนถามว่าโซโลมอนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รวดเร็วก็เพื่อให้การปกครองของเขามั่นคงแทนที่จะสนับสนุนการนองเลือดต่อไปเพราะว่าคนพวกนี้นั้นเป็นเชื้อของการกรบฏครับโซโลมอนกำลังส่งเสริมสันติภาพอย่างรวดเร็วให้เกิดขึ้นโดยใช้ความยุติธรรม และสะสารปัญหาเก่าที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของแผ่นดินในอนาคตสโรมอนนั้นแท้จริงเป็นสุภาพบุรุษครับเป็นสุภาพบุรุษแห่งสันติภาพเขาไม่ได้ทําสงครามแต่เขาจัดการกับเชื้อที่อยู่ข้างในกระบฏ ท, ที่อยู่ข้างในจนหมดเพียงครับนี่คือสิ่งที่สโรมอนได้ทําตามกษัตริย์ดาวิดที่ได้ทรงบัญชาไว้วเราเห็นว่าหลายครั้งทีเดียวครับเราอาจจะใช้หลักการนี้ เข้ามาประยุกในการทำงานของเราได้หลายหลายครั้งทีเดียวครับการที่เราปล่อยให้เชื้อของคนที่กระบฏดอยู่ในบ้านอยู่ในองค์กรอยู่ในสถานที่ต่างๆก็อาจจะไม่ใช่เป็นการดีก็ได้พี่น้องครับขอพระเจ้าประทานสติปัญญานะครับในการที่เราจะจัดการกับเชื้อต่างๆเหล่านี้อย่างไรถึงจะเป็นที่ชอบพระไถยของพระเจ้า ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องฆ่าเขาแต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะด้วยความรักเปลี่ยนเขาให้โอกาสเขาและสามารถที่จะทําให้คนเหล่านั้นนั้นได้มีโอกาสกลับมารับใช้พระเจ้าด้วยกันกับเราอีกครั้งหนึ่งก็อาจเป็นไปได้อันนี้แล้วแต่น้ำมัธยของพระเจ้าเราเองนั้นก็จะต้องระมัดระวังครับในการที่เราจะไม่บ้าอานาจและใช้อํานาจในทางที่ผิดขอให้ชีวิตของ บรรดาผู้นำทั้งหลายที่ได้ฟังเสียงจากสิริบาลนี้จะได้มีโอกาสคบคิดและไขควรถึงสิ่งต่างๆที่เป็นน้ำัรไทยของพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน